เด็กๆทุกคนคงเคยฟังอาลาดินกับตะเกียงวิเศษเมื่ออาลาดินถูตะเกียงก็จะมียักษ์จินนี่ปรากฏออกมาและให้พรตามที่ปรารถนาทุกประการจากมุมมองของผู้ใหญ่เราเข้าใจว่าไม่มีตะเกียงวิเศษพวกนั้นหรอกและไม่มียักษ์จินนี่แบบนั้นเช่นกัน ทำให้พรต่างๆที่เราปรารถนาทุกข้อถูกเก็บอยู่ในก้นบึ้งของตัวเราแต่จะเป็นอย่างไรถ้าความปรารถนานั้นกลายเป็นจริงพรใดที่คุณจะขอเพื่อตัวคุณเองสิ่งใดที่จะทำให้ความต้องการที่อยู่ลึกที่สุดและสำคัญที่สุดของคุณบรรลุผล และสิ่งใดจะยินยอมให้วิญญาณของคุณทำให้โชคชะตาชีวิตเสร็จสมบูรณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลเริ่มต้นจากความตั้งใจเมื่อผมตั้งใจจากระติกนิ้วเท้าหรือซื้อของขวัญวันเกิดให้ภรรยาของผมหรือดื่มน้ำกาแฟสักแก้วหรือเขียนหนังสือเล่มนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนาลมซึ่งเกิดขึ้นเสมอในจิตแห่งจักรวาลหรือจิตที่ไรตําแหน่งที่ตั้งแต่จิตนั้นทําให้เกิดตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะที่ได้โดยพานจิตของแต่ละบุคคลและเมื่อมีความเป็นเฉพาะที่เฉพาะแห่งแล้วมันกลายเป็นความจริงทางกายภาพ โดยแท้จริงแล้วความเป็นจริงทางกายภาพจะไม่ดำรงอยู่จริงถ้าไม่มีเจตนารมซึ่งเจตนารมนี้จะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ในสมองที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งอย่างประจบเหมาะเมื่อใดก็ตามที่สมองมีการรับรู้หรือการเข้าใจความจริงทางกายภาพแล้วบริเวณต่างๆในสมองจะปรากฏเซลล์ประสาท ในรูปแบบของระยะและช่วงความถี่ที่ล็อกไว้นี่คือการทำงานที่ประสานกันอย่างประจบเหมาะโดยไม่ปรกากฏตำแหน่งที่ตั้งของความถี่ราว40เฮิรต์40รอบต่อวินาทีความประจบเหมาะหรือที่เรียกว่าการผูกเข้าด้วยกันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต่อการรับรู้ ถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่เห็นบุคคล น, นั้นเป็นคนบ้านเป็นบ้านต้นไม้เป็นต้นไม้หรือใบหน้าในภาพถ่ายเป็นใบหน้าคุณอาจจะเห็นเป็นเพียงจุดสีขาวและดำเส้นกระจัดกระจายมืดและสว่างเป็นหย่อมๆในความเป็นจริงแล้ววัตถุที่คุณรับรู้ได้นั้น เป็นเพียงการอ่านค่าสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเปิดปิดในสมองของคุณเท่านั้นเองเจตนารมก่อให้เกิดการประสานกันในการเปลี่ยนจุดๆุดดวงดวงเส้นสายที่กระจัดกระจายการปล่อยกระแสไฟฟ้า รูปแบบของความมืดและสว่างให้รวมกันเป็นภาพรวมภาพเดียวหรือเป็นโครงสร้างโดยรวมโครงสร้างโดยรวมที่สร้างภาพโลกให้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลโลกไม่ได้ดำรงอยู่ในลักษณะที่เป็นภาพต่างๆนั้นแต่เป็นเพียงหย่อมของการส่งสัญญาณแบบเปิดปิดเป็นจุดๆเป็นดวงๆทั้งหลาย และเป็นรหัสดิจิทัลของการกระตุ้นทางไฟฟ้าที่ดูเหมือนไร้รูปแบบเหล่านี้การทำงานประสานกันโดยผ่านเจตนารมจะช่วยจัดการให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นประสบการณ์ในสมองทั้งในด้านเสียงในด้านเสียงเนื้อวัสดุสัมผัสรูปทรงรสชาติและกลิ่น ตัวคุณในฐานะที่เป็นสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งก็จะระบุชื่อให้กับประสบการณ์นั้นและท่านใดนั้นการสร้างวัตถุในการรับรู้ที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลก็เกิดขึ้นโลกก็เหมือนกับทฤษฎีหยดน้ำหมึกของรอชาร์คที่เราเปลี่ยนสิ่งต่างๆมาสู่โลกแห่งวัตถุโดยผ่านการทำงานประสานกันซึ่งสร้างสรรโดยเจตนารม ก่อนที่คุณจะรับรู้ว่าโลกเป็นโลกและก่อนที่ระบบประสาทจะเกิดความปรารถนาหรือความตั้งใจที่จะสังเกตบางสิ่งทั้งสองอย่างนี้อยู่ในลักษณะของการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบซับซ้อนเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสภาวะที่ไม่สมดุลแปรผัน แต่เจตนาลมในการจัดการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบเหล่านี้ในจักรวาลที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งกลายเป็นระบบที่มีพลังและสร้างสรรค์จัดการตนเองได้และเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นในเวลาเดียวกันก็ปรากฏมาเป็นโลกที่คุณรับรู้และระบบประสาทด้วยผ่านสิ่งต่างๆที่ใช้ในการรับรู้โลก แม้ว่าเจตนารมจะดำเนินการผ่านประสาทผ่านระบบประสาทแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในระบบประสาทและนอกเหนือจากการเข้าใจและรับรู้แล้วเจตนารมหรือความตั้งใจก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้การจดจำการหาเหตุผลการหาข้อสรุป และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีความตั้งใจนำหน้ามาก่อนดังนั้นแล้วความตั้งใจหรือเจตนารม์คือพื้นฐานที่แท้จริงของการสร้างทฤษฎีหยดน้าหมึกของรอชาร์คคือการทดสอบที่วิเคราะห์ลักษณะของบุคคลนั้นๆโดยใช้รูปแบบของหยดหมึก แล้วนำคำตอบที่ได้ไปวิเคราะห์ใจความตอนหนึ่งในพระเวทโบราณบรพระเวทโบราณที่เรียกว่าคำพีอุปนิสัตว์กล่าวไว้ว่าท่านเป็นดังสิ่งที่ปรารถนาที่ลึกที่สุดของท่านเมื่อเป็นไปตามความปรารถนาของท่าน ก็เป็นตามเจตนาลมของท่านเช่นก right. ันเมื่อเป็นตามเจตนาลมของท่านก็เป็นตามประสงค์ของท่านเมื่อเป็นตามประสงค์ของท่านก็เป็นตามการกระทำของท่านเมื่อเป็นตามการกระทำของท่าน ก็เป็นไปตามชะตาชีวิตของท่านท้ายที่สุดชะตาชีวิตของเราก็มาจากความปรารถนาที่ลึกที่สุดจากเจตนารมณ์ที่ลึกที่สุดเช่นกันทั้งสองเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดอะไรคือเจตนารมณ์คนส่วนใหญ่กล่าวว่า มันเป็นความคิดหนึ่งของสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สําเร็จในชีวิตหรือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อตัวคุณเองแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเจต น, น, น, นารมคือวิธีหนึ่งที่จะบรรลุความต้องการนั้นๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ด้านความสำเร็จทางจิตใจหรือทางด้านความรักเจตนารมคือความคิดหนึ่งซึ่งคุณมีซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุตามความต้องการนั้นๆและตามหลักการของเหตุและผลแล้วเมื่อคุณประสบความสำเร็จตามความต้องการนั้นคุณก็จะมีความสุข ถ้ามองในลักษณะนี้แล้วเป้าหมายของเจตนาลมทั้งหมดของเราคือการมีความสุขหรือการประสบความสําเร็จอันดับแรกถ้ามีคนถามเราว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราอาจตอบว่าฉันอยากมีเงินมากขึ้นหรือฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบใหม่ๆ และถ้าเขาถามว่าทำไมอ่ะทำไมเราถึงต้องการสิ่งนั้นเราอาจตอบบางอย่างเช่นช่นจะได้ใช้เวลากับลูกๆมากขึ้นแล้วถ้าเขาถามอีกว่าทำไมเราจึงต้องการใช้เวลากับลูกให้มากขึ้นเราอาจกล่าวว่า เพราะทำเช่นนั้นแล้วฉันจะมีความสุขดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเป้าหมายสูงสุด ข, ของเป้าหมายทั้งปวงคือการประสบความสําเร็จในระดับของจิตวิญญาณซึ่งเราเรียกว่าความสุขหรือความสํำราญหรือความรักกิจกรรมทุกอย่างในจักรวาล ก่อเกิดจากเจตนารมตามความเชื่อในนิกายเวทานตะเจตนารมคือแรงบังคับแห่งธรรมชาติเจตนาลมช่วยรักษาสมดุลของแรงบังคับและปฐมธาตุแห่งจักรวาลทั้งปวงซึ่งทําให้จักรวาล น, นี้พัฒนาต่อไปแต่ความสามารถในการสร้างสารรค์ ก็ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านเจตนารมความสามารถในการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นระดับบุคคลแต่ก็เกิดขึ้นในระดับจักรวาลเช่นกันและยอมให้โลกรับเอาการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมเข้ามาสู่ในวิวัฒนาการเป็นระยะระยะในท้ายที่สุดเมื่อเราตายไป วิญญาณก็จะรับเอาการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมเข้ามาไว้ในความสามารถในการสร้างสรร์กล่าวโดยง่ายก็คือต่อไปนี้ฉันต้องแสดงตัวตนของฉันเองผ่านระบบร่างกายจิตใจในร่างใหม่หรือการเกิดใหม่ด้วยเหตุนี้ เจตนารมจึงมาจากวิญญาณแห่งจักรวาลกลายเป็นสิ่งที่มีตำแหน่งที่ตั้งได้ในวิญญาณของแต่ละบุคคลและในที่สุดก็แสดงออกมาโดยผ่านจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีตำแหน่งที่ตั้งได้เราสร้างความทรงจำจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งความทรงจำนี้ เป็นพื้นฐานของจินตนาการและความปรารถนาแล้วความปรารถนาก็เป็นพื้นฐานของการกระทำอีกทีดังนั้นวัต จ, จกักรนี้ก็ดำเนินต่อไปในตัวของมันเองอย่างไม่สิ้นสุดตางความเชื่อในพระคำพีคำพีประเวทและศาสนาพุทธ วัตจักรนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ากงล้อแห่งสังสารวัตซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ในทางโลกตัวเราที่ไร้ที่ตั้งกลายเป็นเราที่มีที่ตั้งเฉพาะแห่งขณะที่มันค่อยๆเคลื่อนผ่านกระบวนการแห่งกรรมเมื่อเจตนารมถูกกระทำซ้ำๆ ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยยิ่งเจตนารมอย่างหนึง่งถูกกระทำซ้ำๆกันมากเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ว่าจิตสำนึกแห่งจักรวาลจะสร้างรูปแบบเดียวกันและทำให้เจตนารมนั้นปรากฏบนโลกแห่งวัตถุถ้าคุณนึกย้อนไปถึงเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ในบทก่อนหน้านี้ อนุภาคคลื่นในกล่องใบหนึ่งที่ยังไม่ถูกสังเกตเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันมันจะรับเอารูปแบบที่ชัดเจนเมื่อมันถูกสังเกตเท่านั้นในช่วงเวลาของการสังเกตความน่าจะเป็นไปได้ความน่าจะเป็น ได้สลายลงสู่รูปแบบที่ชัดเจนนี่ก็เป็นความคิดลักษณะเดียวกันเพียงแค่เจตนารมที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็จะทำให้รูปแบบในจิตแห่งจักรวาลมีแนวโน้มที่จะสลายลงสู่เจตนารมของคุณมากขึ้นและแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นความจริงทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้สร้างภาพลวงตาของสิ่งที่ง่ายและสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณต้องการหลุดพ้นจากทางโลกคุณต้องเรียนรู้ที่จะคิดและฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแค่ความคิดซ้ำๆก็สามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงโดยผ่านเจตนาลมของจิตที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งจิตที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งในตัวคุณเหมือนกับจิตที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งในตัวผมที่จริงแล้วก็เหมือนจิตที่อยู่ในแรกในยราฟในนก หรือในนอนแม้แต่ก้อนหินก้อนหนึ่งก็ประกอบด้วยสติปัญญาที่ไรตําแหน่งที่ตั้งจิตที่ไรที่ตั้งหรือจิตสํานึกล้วนคือสิ่งที่ให้ความหมายของคําว่าฉันฉันที่พูดว่าฉันฉันคือดีพักฉันที่พูดว่า ฉันเป็นนกฉันที่พูดว่าคุณเป็นใครหรือคุณเชื่อว่าคุณคือใครคุณเป็นใครจิตสานึกแห่งจักรวาล น, นี้เป็นฉันที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ฉันที่เป็นหนึ่งเดียวและสากลก็ยังมีความแตกต่าง มันเปลี่ยนภาพตัวมันเองสู่ผู้สังเกตและผู้ที่ถูกสังเกตผู้ดูและฉากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างๆมากมายเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือสรรพสิ่งและวัตถุสิ่งของทุกอย่างที่ก่อให้เกิดโลกแห่งวัตถุ การที่จิตสำนึกแห่งจักรวาลแบ่งแยกไปสู่จิตสำนึกเฉพาะนี้ดํารงอยู่ก่อนก่อนจะมีการตีความดังนั้นก่อนที่ฉันพูดว่าฉันคือดีพักหรือฉันเป็นยีราฟหรือนอนมันเป็นเพียงแค่ฉันเป็น ซึ่งศั ก, กยภาพของการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของฉันจัดการฉันที่เป็นส่วนรวมให้เป็นฉันที่เป็นคุณหรือผมหรือสิ่งอื่นใดในจักรวาล น, นี่เป็นแนวคิดเดียวกันกับวิญญาณทั้งสองระดับนั่นคือวิญญาณแห่งจักรวาลและวิญญาณระดับบุคคล แต่อยู่ในสภาพของบริบทส่วนตัวในฐานะที่เป็นมนุษย์เราคุ้นเคยกับการคิดว่าตัวเราแต่ละคนเป็นชั้นโดยปราศจากการสังเกตรหรือชื่นชมชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งอยู่ในระดับจักรวาลหรือที่เรียกกันอย่างหนึ่งว่าวิญญาณแห่งจักรวาล การใช้คำว่าฉันเป็นเพียงถ้อยคำอ้างอิงที่ฉลาดมากอย่างหนึง่งที่เราใช้เพื่อระบุถึงมุมมองเฉพาะที่ของเราคำอ้างอิงที่ฉลาดมากที่เราใช้เพื่อระบุถึงมุมมองเฉพาะของเราซึ่งดำรงอยู่ภายในจิตวิญญาณแห่งจักรวาลแต่เมื่อเรากำหนดตัวเราเท่านั้นว่าเป็นฉัน ในระดับบุคคลเราก็จะสูญเสียความสามารถในการจินตนาการเกินสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในชั้นที่เป็นระดับจักรวาลทุกสิ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เป็นไปได้ แต่มันยังคงอยู่อยู่แล้วเพียงแค่ต้องการเจตนารมที่จะสลายมันสู่ความเป็นจริงในโลกทางกายภาพเท่านั้นเองคุณสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างชั้นระดับบุคคลหรือจิตเฉพาะที่กับชั้นที่เป็นระดับจักรวาลหรือจิตที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งอย่างชัดเจนได้ จากตารางต่อไปนี้ตารางจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งจิตระดับอาตาจิตระดับบุคคลจิตระดับจิตสำนึกระดับบุคคล จิตสำนึกที่ถูกปรับสภาพมาเป็นเส้นตรงปฏิบัติการภายใต้สถานที่การเวลาและความเป็นเหตุผลขึ้นอยู่กับเวลาและมีข้อจำกัดเป็นเหตุเป็นผลนิสัย หรือวิธีคิดที่ถูกฝึกมาจนอยู่ตัวและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวที่สะสมมาแบ่งแยกเสียงในหัวนี่คือฉันและนี่ของฉันความกลัวเข้าครอบงำ ตารังจิตไร้ขอบเขตที่ตั้งจิตวิญญาณวิญญาณจิตสํานึกแห่งจักรวาลจิตสํานึกล้งนล้วนประสานสอดคล้องกันอย่างประจบเหมาะปฏิบัติการเหนือสถานที่เหนือการเวลา เหนือความเป็นเหตุเป็นผลไรขีดจำกัดเรื่องเวลาและไม่สิ้นสุดเชิงลางสังหรณ์เชิงสร้างไม่มีเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ร่วมกันและสร้างสรรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหนึ่งเดียว เสียงในหัวทุกสิ่งคือฉันและเป็นของฉันได้รับอิทธิพลจากความรักตารางจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งต้องการพลังงานต้องการการยอมรับตีความว่าฉัน ภายในตัวผู้สังเกตแตกต่างจากฉันที่ถูกสังเกตคิดในโสดประสาทของเหตุและผลเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่แน่นอนต่อเนื่องไปตามก่อนหลังรับรู้ทำงานเมื่อประสาทสัมผัสทำงาน เนื่องจากประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะแห่งแสดงตัวของมันเองโดยผ่านระบบประสาทตามที่สมัครใจหรือการตัดสินใจเลือกของแต่ละบุคคลตารางจิตไร้ขอบเขตที่ตาง กระทำโดยปราศจากพลังงานไม่ได้รับผลไม่ได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์และคำสรรเสริญเยือนยอรู้ว่าฉันที่อยู่ในผู้สังเกตและผู้ที่ถูกสังเกตเป็นสิ่งหนึ่งเดียวกัน เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่ได้เป็นเหตุและผลของกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพาอาศัยกันไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่แน่นอนไม่ต่อเนื่องไปตามก่อนหลังเหนือการรับรู้ ทำงานอยู่เสมอแต่จะแสดงออกมาได้มากขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสอยู่ภายใต้การระงับไว้ชั่วคราวหรือถูกปิดไว้เช่นในขณะหลับทำสมาธิอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นหรืออยู่ในพวงังหรือสวดมนต์ แสดงตัวของมันเองโดยผ่านระบบการทํางานอัตโนมัติและต่อมไร้ท่อและที่สําคัญที่สุดโดยผ่านการทํางานที่ประสานกันของระบบเหล่านี้และโดยผ่านการประสานกันของสิ่งเฉพาะกับสิ่งสากลหรือเอกภพขนาดเล็กกับเอกภพขนาดใหญ่ สิ้นสุดตารางเปรียบเทียบจิตไร้ตําแหน่งจิตไร้ขอบเขตที่ตั้งและจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งครับความแตกต่างระหว่างจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งและจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งคือความแตกต่างระหว่างความธรรมดาสามัญกับความพิเศษ จิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งเป็นจิตส่วนบุคคลและเฉพาะตัวสําหรับคนแต่ละคนมันควบคุมอัตราของเราซึ่งก็คือฉันที่กำหนดตนเองและท่องไปทั่วโลกเหมือนตกเป็นท่าต่อความประพฤติส่วนตัวที่อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมของเราโดยแก่นแท้แล้ว จิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งเป็นตัวแยกเราออกจากสรรพสิ่งที่เหลืออยู่สร้างอาณาเขตจอมปลอมที่แน่นหนาขึ้นเองและทำให้ผู้คนจํานวนมากรู้สึกเหมือนกับจะต้องปกป้องมันแม้แต่เมื่ออาณาเขตนี้หมายความถึงการปิดกั้นตัวเราเองจากความหมายที่ลึกซึ้ง ละละทิ้งการเชื่อมต่อที่เป็นสุขซึ่งมาจากการรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งนั้นเคลื่อนไหวช้าอ่อนพลังและเป็นเหตุเป็นผลมันไม่รับรู้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล หรือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มันต้องการความสนใจและการยอมรับอยู่ตลอดดังนั้นมันจึงโน้มเอียงไปสู่ความกลัวความผิดหวังและความเจ็บปวดได้ง่าย ดิพักโชปลาโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ ในทางตรงกันข้ามจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งเป็นวิญญาณล้วนๆหรือจิตวิญญาณหรือที่รู้จักกันว่าจิตสำนึกแห่งจักรวาลซึ่งปฏิบัติการนอกขอบเขตขอบเขตปกติของมิติอวกาศและการเวลามันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียว และจัดการสิ่งต่างๆในจั ก, กรวาลอย่างไร้ขอบเขตและไม่มีระยะเวลาที่สิ้นสุดโดยธรรมชาติของมันแล้วจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งเชื่อมต่อกับทุกสิ่งเพราะว่ามันคือทุกสิ่งมันไม่ต้องการความสนใจไม่ต้องการพลังงานและการยอมรับใดๆ มันเป็นทุกอย่างในตัวของมันเองและดังนั้นมันจึงดึงดูดความรักและความเต็มใจมันเป็นผู้สร้างสารรหรือบอกเกิดที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งมวลลังลายออกมาจากมันมันทำให้เราจินตนาการเนือขอบเขตของสิ่งที่จิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งมองว่าเป็นไปได้ ยอมให้เราคิดนอกกรอบและเชื่อในสิ่งอัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันที่สร้างสรรค์ซึ่งกระทาโดยจิตไร้ขอบเขตที่ตั้งนี้ก็มีเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์สนับสนุนเช่นจุดโวของบันทึกอันเก่าแก่ในระหว่างวิวัฒนาการแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดที่สร้างสรรค์ ของจินตนาการในตัวของธรรมชาติเองซึ่งสมมุติฐานข้อหนึ่งที่เรียกกันว่าดุลยาภาพที่ถูกเว้นวักตัวอย่างเช่นมีซากฟอสซิลเก่าแก่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและนกแต่ไม่มีบทบันทึกเกี่ยวกับซากฟอสซิลของสัตว์ที่เชื่อมต่อระหว่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทั้งควรตามของจินตนาการซึ่งสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำต้องการเรียนรู้ที่จะบินและนกก็ปรากฏขึ้นตามผลของเจตนาลมนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนามาสู่มนุษย์ แต่ไม่มีบันทึกอันเก่าแก่ของช่วงระยะเวลาระหว่างรอยต่อที่หายไปซึ่งในตอนแรกมีแต่เพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ต่อมาอยู่ดีๆมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นแล้วระหว่างนั้นล่ะว่างเปล่าก้าวกระโดดของจินตนาการเหล่านี้ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นจักรวาลเช่นที่เราได้พัฒนาการเกี่ยวกับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตอีเมลเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์และการสำรวจอวกาศมาตลอดชีวิตจินตนาการนำไปสู่แห่งหนใดก็ตามที่เราไป และถึงแม้ว่าจินตนาการเป็นคุณสมบัติของจิตสำนึกแห่งจิตจักรวาลมันก็ถูกปรักสภาพโดยผ่านการแสดงออกเฉพาะแห่งเหล่านี้ทั้งหมดมนุษย์มีความสามารถที่กว้างไกลกว่านั้นพวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจโดยผ่านเจตนารมของจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งซึ่งคือชั้น เฉพาะที่เฉพาะแห่งแล้วจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งหรือชั้นที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งจะช่วยดูแลในรายละเอียดอย่างประสานสอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุตามเจตนาลมนั้นนั่นคือวิธีที่ความฝันกลายเป็นความจริงให้ผมยกตัวอย่างสักเรื่อง เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเฉพาะที่เฉพาะแห่งซึ่งก็คือดีพักต้องการทำให้ตนเองรู้สึกว่ามีสุขภาพดีโดยการออกกำลังกายและลดน้ำหนักดังนั้นดีพักจึงวิ่งทุกวันไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องวิ่งหรือที่ชายหาด แต่ชั้นที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งในดีพักทำสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้โดยการทำให้ร่างกายของดีพักทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและสูบฉีดโลหิตมากขึ้นเนื้อเยื่อรับเอาออกซิเจนมากขึ้นปอดได้รับอากาศเร็วขึ้นและลึกขึ้น และน้ําตาลซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงในระบบเผาผลาญร่างกายของผมต้องถูกเผาผลาญเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําให้เร็วขึ้นเพื่อก่อเกิดพลังงานถ้าปริมาณเชื้อเพลิงต่ําก็ทําให้ร่างกายลังอินซูลินออกมาเพื่อว่าไกลโคเจนที่เก็บไว้ในตับจะถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องกระตุ้นเซลล์ต้านเชโรคเพื่อว่าร่างกายจะได้ทนทานต่อการรับเชื้อในขณะที่กำลังวิ่งผ่านสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเพียงรายละเอียดการย่อๆของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันและประสานกันเพื่อให้ความตั้งใจที่จะวิ่งของผมสำเร็จขึ้นได้ ในความจริงแล้วกิจกรรมล้านๆล้านๆสิ่งล้านๆอยา่างล้านๆกิจกรรมต้องเกิดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ปรากฏตำแหน่งที่ตั้งเพื่อทำให้ดีพักเพลิดเพลินไปกับการวิ่งตามที่เราเห็นนั้นการทำงานของร่างกายเป็นการจัดการของจิตที่ไร้ที่ตั้ง ไรขอบเขตที่ตั้งซึ่งในขณะที่กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ทำงานอย่างประสานกันดีพักก็กำลังเพลิดเพลินไปกับการวิ่งของเขาเขาไม่ได้กังวลว่าหัวใจของเขาจะสูบฉีดปริมาณเลือดที่เหมาะสมหรือไม่หรือดับของเขาจะลืมเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นน้ำตาลหรือไม่ นั่นเป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งฉันเฉพาะที่เฉพาะแห่งเพียงแค่ตั้งใจและฉันที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งก็จัดการในรายละเอียดทั้งหมดอย่างประสานกันแต่ฉันเฉพาะที่เฉพาะแห่งไม่ได้ทำงานร่วมกันเสมอและบางครั้งก็ตัดสินใจผิด ลงนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อจิมสมิธเขาอยู่ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและจิมสมิธเฉพาะที่เฉพาะแห่งพูดว่าฉันมีความสุขมากๆเลยในงานนี้เขาจิบแชมเปญเล็กน้อยพูดคุยอย่างอิสระและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ส่วนจิต ท, ที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งของจิมที่อยู่ในงานเลี้ยงก็สนุกไปกับการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นเช่นกันแต่จะเป็นอย่างไรถ้าจิมเฉพาะที่เฉพาะแห่งกล่าวว่ามันสนุกมากเลยบางทีฉันควรจะดื่มมากขึ้นแล้วก็เมาให้สนุกไปเลย การเมาเล่าเป็นวิธีที่ตัดการเชื่อมต่อกันดังนั้นจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งจึงปล่อยให้เขารู้ว่าการตัดสินใจนั้นมีผลตอบแทนมันทำให้เขาปวดศีรษะและเมาค้างในเช้าวันรุ่งขึ้นนี่คือการสื่อสารกับจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่ง กล่าวโดยง่ายก็คือถ้าคุณใช้ตัวคุณในทางที่ผิดคุณก็จะป่วยถ้าจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งเพิกเฉยต่อความพยายามที่จะห้ามปรามการกระทำของจิตไร้ตำแหน่งที่ตั้งมันก็จะเผชิญหน้ากับผลตอบกลับที่เลวร้ายมากขึ้นตัวยอย่างเช่น ถ้าจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งไม่สนใจข่าวสารที่สื่อมาให้และดื่มเหล้าเมาทุกวันตัวของจิมสมิธก็อาจจะตกงานสูญเสียรายได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวพังลงและบางทีอาจเป็นโรคตับแข็งและค่อยๆตายไปทำไมหรือ ก็เพราะว่าการตัดสินใจดื่มเล่าไม่ได้สนับสนุนความต้องการของทั้งจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งและจิตที่ไร้ที่ตั้งขอบเขตจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งของจิมสมิธมันไม่ใช่เจตนารมเพราะจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งบิดเบือนมันมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างในขณะที่มันเคลื่อนจากจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้ง ไปสู่จิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งเจตนารมสามารถบรรลุผลอย่างประสานกันถ้าเพียงแต่มันตอบรับตอบความต้องการของทั้งจิตเฉพาะที่เฉพาะแห่งจิตที่ไรขอบเขตที่ตั้งเจตนารมที่ไรขอบเขต ที่ตั้งก่อเกิดการพัฒนาเสมอดังนั้นจึงก้าวไปในทิศทางของการมีปฏิสัมพันธ์ที่สมานสามัคคีกันซึ่งสนับสนุนสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเจตนารมก่อให้เกิดดินแดนแห่งจักรวาลเสมอซึ่งท้ายที่สุดแล้ว มันก็คือเจตนารมแห่งจักรวาลที่ทำให้เจตนารมเฉพาะที่สำฤทธิผลตราบที่เจตนารมนั้นตอบสนองความต้องการของทั้งจิตเฉพาะที่ตัวฉันและจิตไร้ขอบเขตที่ตั้งจิตวิญญาณแห่งจักรวาลเว้นเสียแต่ว่าจิตเฉพาะที่ และไร้ขอบเขตที่ตั้งร่วมมือกันแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้สับสนได้เหมือนกันเพราะมนุษย์เป็นพันล้านคนมีมนุษย์เป็นพันล้านคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกล้านๆชีวิตบนโลกซึ่งทั้งหมดก็มีเจตนารมเฉพาะตัวสมมติว่าผมกำลังจะจัดงานเลี้ยง ระวังแผนว่าจะอบขนมและเ ค, ค้กอีกมากมายในการเตรียมงานผมได้ซื้อน้ำตาลแป้งสิ่งอื่นๆที่จำเป็นแล้วเก็บทุกอย่างไว้ในห้องครัวของผมมันดึงดูดให้หมดและหนูเข้ามาซึ่งทั้งสองก็มีความตั้งใจที่จะบริโภคน้ำตาลและแป้งเช่นกัน เมื่อผมค้นพบกิจกรรมของหนูผมจึงไปซื้อที่ดักหนูและยาฆ่าแมลงมีหนูตายไปบ้างและแบคทีเรียก็เริ่มเข้ามาทำลายซากของมันถ้าเราย้อนกลับไปมองเรื่องนี้ให้กว้างขึ้นเราจะเห็นแผนการของเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันทั้งหมดเกิดขึ้นร่วมกัน แล้วร่วมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต้องมีการปลูกข้าวสาลีอ้อยให้เจริญเติบโตมันเกี่ยวข้องกับสวนไร่นาเกษตรก ร, ร, กรฝนตกแดดออกรถแทรกเตอร์ผู้บริโภคผู้ค้าปลี ผู้ค้าส่งคนขับรถสินค้าการขนส่งโดยรถไฟตลอดการค้าเงินร้านขายของชำและลูกจ้างในร้านนักลงทุนยาฆ่าแมลงโรงงานผลิตสารเคมีความรู้ด้านเคมีและอื่นๆ เฉพาะที่ของคนที่เกี่ยวข้องมีจํานวนมากมายมหาศาลแล้วต่อมาคําถามที่ควรจะถูกถามคือใครมีอิทธิพลต่ออะไรความตั้งใจของใครที่จะสร้างเหตุการณ์ต่างๆความตั้งใจของผมคือการอบขนมและเคก้กใช่ ความตั้งใจของผมคือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของโลกทั้งใบจากเกษตรกรสู่การวิเคราะห์ตลาดหุ้นสู่ราคาข้าวสาลีนี่ยังไม่ได้ระบุถึงพฤติกรรมของมดและหนูในครัวของผมและกิจกรรมของธาตุและแรงบังคับอื่นๆในจักรวาล ความตั้งใจของผมที่จะเลี้ยงขนมและเ ค, ค้กเป็นเพียงความตั้งใจเดียวหรือไม่ที่จะกะวานทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมหนูตัวหนึ่งสมมติว่ามันพิจารณาความตั้งใจของมันได้อาจเชื่อว่าความตั้งใจของมันมีส่วนรับผิดชอบต่อการสร้างเหตุการณ์ชุดนี้จากกิจกรรมของผู้ค้าเข้า สู่สภาพภูมิอากาศสู่การตัดสินใจของผมที่จะทําเค้กจริงๆแล้วแบคทีเรียก็สามารถเชื่อได้จริงๆว่าความตั้งใจจริงของมันก็สร้างกิจกรรมของจักรวาลทั้งหมดรวมทั้งการตัดสินใจของผมในการซื้อที่ดักหนูและยาฆ่าแมลงที่ช่วยสร้างโปรตีนให้มันบริโภค มันอาจดูสับสนมากเมื่อคุณเริ่มถามว่าความตั้งใจของใครที่สร้างเหตุการณ์นั้นความตั้งใจของใครที่กำลังสร้างกิจกรรมทั้งหมดนี้ในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งแล้วผู้ที่สร้างเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดคือฉัน แห่งจักรวาลที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งและพลังแห่งการจัดการนี้ทำงานประสานสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่สิ้นสุดไปพร้อมๆกันจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งกลับสู่ตัวมันเองเสมอชุบชีวิตตัวมันเองและความสามารถในการสร้างสารรค์ของมัน เพื่อว่าสิ่งเก่าๆจะได้ไม่ตกค้างและเกิดขึ้นใหม่ทุกๆขณะถึงแม้ว่าความตั้งใจมาจากชั้นที่ไร้ขอบเขตเพียงคนเดียวแต่จากมุมมองของผมแมวหนูหมดแบคทีเรียและผู้คนที่จะมางานเลี้ยงก็กลายเป็นความตั้งใจ ของบุคคลแต่ละคนในทุกตำแหน่งที่ตั้งทุกตำแหน่งที่ตั้งสิ่งมีชีวิตทุกอย่างสามารถคิดได้ว่ามันคือความตั้งใจของฉันแต่ละชีวิตเชื่อว่ามันเป็นบุคคลแต่ละคนที่กําลังกระทําบางอย่าง แั่ในแบบแผนที่ใหญ่ขึ้นจิตเฉพาะที่จิตเฉพาะที่แต่ละดวงทั้งหมดนี้กําลังเกิดขึ้นร่วมกันและร่วมสร้างซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงโดยผ่านเจตนาลมของจิตที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งเช่นต้นไม้ต้องรับอากาศเข้าไปฉันจึงสามารถหายใจได้ แม่น้ำต้องไหลเพื่อว่าเลือดของฉันจะได้หมุนเวียนดังนั้นแล้วในตอนจบก็จะมีฉันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้เป็นจังหวะเป็นนิรันด์เต็มเปี่ยมมีชีวิตชีวาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองความเป็นเอกเทศทั้งหมดเป็นภาพลวงตา ฉันเฉพาะที่จะรู้ว่าตนเองเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันเท่านั้นแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามีฉันที่เป็นจิตแห่งจักรวาลเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและเมื่อคุณเชื่อมต่อกับจิตแห่งจักรวาลคุณจะเริ่มประสบกับความเชื่อมัน่นความรัก การให้อภัยความกระตันอยู่ความชื่นชมการยอมรับและการกระทำดุดไม่กระทำเหล่านี้และกระทำดุดไม่กระทำซึ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับวิธีที่สวดมนต์ได้ผลอย่างไรครั้งหนึ่ง ลอตอัลเฟรตเทนนิสันซึ่งเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวว่าสิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้นโดยการสวดมนต์มากกว่าที่โลกนี้คาดฝันไว้นะักแต่มันไม่ใช่การสวดมนต์โดยผ่านความตั้งใจที่ถูกบังคับมันเป็นกุศโลบายเป็นเรื่องของเวลาการเิโลราบความกระตันยู ความเชื่อใจความรักและความชื่นชมที่ยินยอมให้ชั้นเฉพาะที่ได้ประสบและกลายเป็นชั้นที่ไร้ขอบเขตที่ตั้งเราติดยึดกับตัวตนเฉพาะบุคคลมากเสียจนบดบังการมองเห็นสิ่งงดงามที่มีอยู่นอกเหนือสิ่งนั้นการเพิกเฉย ทำให้การรับรู้แคบลงเมื่อคุณต้องการจะสังเกตบางสิ่งคุณต้องเพิกเฉยสิ่งอื่นๆทุกอย่างนั่นคือวิธีการไล้ขอบเขตที่ตั้งกลายเป็นสภาวะที่มีขอบเขตเฉพาะที่เมื่อผมสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมจะเพิกเฉยทุกสิ่งอื่น รอบๆมันแต่กระนั้นก็ทำให้ผมมองเห็นการดารงอยู่ของมันเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อฉันที่เป็นอัตตาของผมสังเกตมันจะสังเกตแต่สิ่งเฉพาะที่และเพิกเฉยต่อสิ่งสากลแต่เมื่อฉันที่เป็นจิตวิญญาณเป็นผู้สังเกต มันจะสังเกตการไหลคร่องของจักรวาลที่ทำให้สิ่งพิเศษเป็นไปได้มันคือการเชื่อมต่อระหว่างกันนี้หรือความไม่สามารถแยกจากกันนี้ที่ทำให้ชีวิตไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปได้ แต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการของโลกที่กว้างใหญ่ดยุดท้องทะเลได้สลายตัวลงสู่คลื่นแห่งปัจเจกและแตกกระจายกลายเป็นฟองคลื่นที่ส่องประกายระ ย, ระยิบระยับราวกับเพชรที่สะท้อนแสงซึ่งกันและกันในชั่วขณะหนึ่งเพียงแต่มันจะต้องจมลง และกลับสู่มหาสมุตรที่ล้ำลึกมีแต่ช่วงเวลาอันเป็นนิรันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือความรักจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกที่เป็นนิรันที่กลายเป็นผู้ดูแลและฉากอยู่สเสมอเราบปญญหติแห่งแก้วมันีเหล่านั้นตะเลยดงดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะในชั่วขณะหนึ่งเราแต่ละคนเป็นส่วนประกอบของคนอื่นสะท้อนภาพคนอื่นเราทุกคนเกิดจากความรักจิตวิญญาณหรือจิตเหนือสำนึกจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกที่เป็นนิรัน ซึ่งเป็นการจินตนาการของตัวตนแห่งจักรวาลในขณะที่การตีความความทรงจำและอุปนิสัยอุปนิสัยที่สร้างภาพลวงของความเคยชินหรือความเหมือนและภาพลวงของความต่อเนื่องจากนาทีสู่นาทีแต่ในความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในแกนแทกของเราความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งต้องการเพียงเจตนารมเพื่อจะทําให้มันเป็นจริงเจตนาสร้างความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดคุณอาจสงสัยว่าเจตนารมลักษณะไหนที่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์คุณจะขออะไร ถ้าเจตนารม์ของคุณสามารถสําเร็จได้ในขณะนี้ถ้าเจตนารมณ์ของคุณเป็นเพียงพรส่วนตัวและทําให้สําเร็จตามความประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นแล้วตัวตนที่ไรขอบเขตและเฉพาะที่อาจไม่สอดคล้องกันบ่อยแค่ไหนที่คุณได้ยินผู้คน ขอพรให้ตัวเขาถูกลอตเตอรี่มันอาจจะเกิดได้เพียงแต่ถ้าความสำเร็จของเจตนาวมนั้นรับใช้ทั้งคุณและจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณอาจพูดกับตัวเองว่าฉันอยากถูกลอตเตอรี่ฉันจะได้ซื้อรถบีเอ็ม สักคันแม้ว่าเจตนารมนั้นจะรับใช้คนมากมายตั้งแต่ตัวคุณผู้ผลิตรถยนต์ลูกจ้างโรงงานนักลงทุนและเศรษ ฐ, ฐกิจอย่างไรก็ตามมันไม่มีพลังเพียงพอเมื่อเทียบกับเจตนารมของคนบางคนเช่นแม่ชีเทเรซา เพราะว่าความปรารถนาที่จะมีเงินมากๆของเธอเป็นผลของความปรารถนาที่จะนำความสำเร็จไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้และได้รับในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเพื่อรับใช้ห่วงโซ่ที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตเมื่อเจตนารวมของจิตที่ไร้ขอบเขตถูกรับใช้โดยจิตเฉพาะที่ มันจะประสานกันเป็นองรวมมากกว่าและดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าในเจตนารมทุกประการเราอาจถามว่าสิ่งนี้จะรับใช้ฉันได้อย่างไรและมันจะรับใช้ทุกคนที่ติดต่อฉันด้วยได้อย่างไร ถ้าคำตอบคือมันจะสร้างความสุขที่แท้จริงและความสมหวังในตัวฉันและในทุกสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของฉันแล้วเจตนารมของฉันพร้อมด้วยการยอมซีโรลาบต่อจิตที่ไร้ขอบเขต จิตที่ไร้ขอบเขตก็จะสร้างสารรค์ความสำเร็จของตัวมันเองมีเทคนิคในการค้นพบเจตนาลมที่บริสุทธิ์และเหมาะสมเพื่อเป็นชะตาชีวิตของคุณซึ่งเราจะพูดคุยเราจะพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไปแต่เทคนิคที่เป็นแก่นสำคัญ คือการเริ่มต้นจากสถานที่ที่สงบและการรับรู้ที่ตั้งมัน่นเพื่อสร้างเจตนารมที่เหมาะสมในจิตใจของคุณและปล่อยให้ตัวคุณกลับไปผนึกรวมกับตัวตนที่ไร้ขอบเขตและยอมให้พระประสงค์แห่งพระเจ้าสำฤทธิ์ผลด้วยผ่านตัวคุณ ผมเคยสอนเทคนิคนี้แก่คนมากมายนับพันและพวกเขาบอกผมว่ามันใช้ได้ผลสำหรับพวกเขามันที่ใช้ได้ผลสำหรับผมเองสิ่งที่ยากก็คือการทำเจตนารมนั้นให้เป็นรูปร่าง ซึ่งมันจะต้องไม่ขัดกับเจตนาลมของจักรวาลและเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามแนะนำข้าวสีทองให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีปัญหาการขาดแคลนอาหารมันเป็นข้าวที่มีการดัดแปลงพันธุ ก, กรรมวิศวกรรมที่ประกอบด้วยยาฆ่ า, มาแมลงจากธรรมชาติเพื่อให้ข้าวจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีปัญหาคือข้าวที่ดัดแปลงพันธุกรรมนี้ไม่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติจึงไม่สามารถดึงดูดมแมลงต่างๆที่มีความสำคัญต่อการดูแลรักษาและวงจรของโซ่อาหารได้วงจรของห่วงโซ่ออาหารนักนิเวศวิทยากเกรงใจว่าข้าวชนิดนี้ อาจทำให้ระบบนิเวศวิทยาแย่ลงและทำให้ภูมิอากาศเสียระบบในที่สุดซึ่งตามมาด้วยผลร้ายต่อโลกใบนี้จิตสำนึกเฉพาะที่หรือจิตที่คับแคบจะมองเพียงแค่สถานการณ์เฉพาะและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะแต่จิตสำนึกที่เปิดกว้าง หรือไร้ขอบเขตมองที่ความสัมพันธ์ต่างๆเช่นนกพึ่งกระรอกหมูป่าและภูมิอากาศจะต้องมีกลุ่มของต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่มีอิทธิพลให้ภูมิอากาศประเทศนั้นๆ ภูมิอากาศประเภทนั้นๆเกิดขึ้นเจตนารมที่ดีอาจทรงผลในทางตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้ถ้าเจตนารมของตัวตนที่ไร้ขอบเขตถูกละเลยความผูกพันยอย่างใกล้ชิดของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความไม่เห็นแก่ตัว แต่ยังต้องการความร่วมมือกันของปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลทุกคนซึ่งกำเนิดจากตัวตนแห่งจักรวาลด้วยเช่นกันเจตนาลมไม่สามารถถูกกดดันถูกบังคับหรือข่มขู่ได้ลองคิดดู มันเหมือนการจับฟองสบู่ในอากาศมันเป็นความพยายามที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่สามารถเร่งรีบหรือกระทำได้ภายใต้ความกดดันก็เหมือนกับการทำสมาธิหรือการนอนหลับคนเราไม่สามารถพยายามทำสมาธิหรือพยายามนอนหลับได้ กิจกรรมเหล่านี้ต้องการการปล่อยวางและยิ่งคุณพยายามหนักมากเท่าไหร่คุณจะสำเร็จน้อยลงเท่านั้นสมาธิบังเกิดขึ้นนอนหลับบังเกิดขึ้นมันเหมือนกับเจตนารมถ้าเราแทรกแซงมันน้อยเท่าไหร่เราก็จะเห็น ว่ามันมีพลังแห่งการจัดการที่ไม่มีที่สิ้นสุดมากเท่านั้นเจตนาร ม, มีกลไกอยู่ภายในตัวเพื่อความสำเร็จของมันเองเหมือนมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้และผละไม้ในตัวมัน ผมไม่ต้องทำอะไรกับเมล็ดพันธุ์นั้นเพียงแค่ใส่มันลงดินแล้วรดน้ำดัวเมล็ดพันธุ์เองก็จะสร้างทุกสิ่งภายหลังจากนั้นโดยที่ผมไม่ต้องบอกบทมันเลย ดิพักโชปลาโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้